อทำกันเนาะอย่าได้เบื้อหน่ายต่อคบสั่งสอนที่เกียดทำตามเป็นความไม่เจริญู้หวังความเจริญเ จ, ญจตนอย่าให้จริงหรอกนี่มาครอบงำจิตใจได้แล้วก็น้อะปฏิบัติ ทาตามที่พระเจ้าทรงสอนสอนเรือเราอยู่วัดว่ารามนี่อดุทิตย์เฉพาะเรื่องนี้จริงๆออกมาอยู่บ้ายู่ว่าอุทิตย์ต่อพทธเจ้าการอุทิตย์ต่อพทธเจ้าคือปฏิบัติตามคำสอน โดยเพราะการปฏิบัติต่อหน้าต่อตาสัมผัสได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับลายกับใจเพราะเป็นชีวิตที่เปิดออกในของที่ปิดนหนัหงายของที่ข่วมขึ้นมามีสิตท ไปในกายเป็นประจําเนี่ยงายขึ้นมาแล้วเปิดของที่วิดออกแล้วก็มีสติดูกายอาการที่เกิดขึ้นับกายจะได้เห็นอาการที่เกิดขึ้นเกิดปิดใจก็จะได้เห็นอาการอะไรที่เกิดขึ้นให้อาสติเป็นตัวฉเฉลย อย่าโอนดื่นไปเฉลยหาเหตุผลจกกวางคิดแยกแยะไม่ต้องไปถึงโน่นมีการกระทําไปจริงๆหรือว่าโต้ตอบทักท่วงตรวจจบในวันตรงกันข้าม มีความหลงอยู่ที่ใดต้องมีความรู้สึกตัวอยู่ที่นั่นมีความทกอยู่ที่ใดต้องมีความรู้สึกตัวอยู่ที่นั่นขอใช้พื้นที่กายใจเนี่ยเพื่อให้เกิดความรู้สึกตัวนี่คืออุทิศปฏิบัติตาม มีเจตีดูกลายเคลื่อนไหวเห็นใจมันคิดมันไม่ทั้งหมดแล้วต่อหน้าเราแล้วได้พบเห็นไม่ใช่คิดเห็นอยู่ใกล้นี่เองต้องอย่าทิ้งไว้ในกายในใจต่าการกต่างที่เกิดขึ้น ทิ้งไว้มราเคเป็นนิสัยมันติดได้เป็นวิญญาณได้เป็นสังขารได้เป็นสมมติไถได้จำเร า, ม า, าไรม่ท่ยงไว้ไม่จะได้นิสัยอันอื่นนิสัยพุทธะไม่มีใครคิดยิ่งมากเหมือนกับพัะชิตา ธ, ธาตุาดอกขณะที่ออกสองบนอวด นั่งอยู่ใต้ต้นโพจะเอาจิงอ่อยจังใช่หลักนีมีสติไปในกายไปไประจอมจิงที่เกิดขึ้นกับกายที่เข้าดันจะเยอะแยะมากที่สุดเลยเพราะต้นไม้เป็นที่อาศัยเก ล, ลือบยองลมแดดสว์เลื่อยขานก็ผ่านมาสัมผัสได้ ไต้ตัวผลตกก็เปียกแดดดอก็ร้อนชวในให้คิดถึงประสาทะสามฤดูชวในให้คิดถึงปรสสาวะส า, สามฤดูียบเพียงปวดต้นโพล้าจเจ้าคิดเอาเหตุเอาผลมากดสู้ปรสสาว์ไปได้ต้โนโพ เยเป็นเจ้าผ้าชายเป็นสุขขมมารชาติไี้สาวกับนันนนอขับขามตลอดเวลาไม่ลำบากแต่มาอยู่คนเดียวเนี่ยอะไรเกิดขึ้นมาย่อมเปลี่ยวเดียวด้ยว่าเวยิ่งเคยมีลูก วามเป็นพ่อเขาคิดถึงลกูกวา ม, มีบรกาศเบสิก็ย่อมคิดถึงมีพนัาชะซั์สินจะเดงคารอก็ยอมคิดถึงมามีผ้ายอกอป่าผืนเดียวต้องนุ่งต้องห่มต้องอะไรก็อยู่ที่นี่ อาหารมินทบาดก็ได้มาจากบางทีก็ได้จากเด็กเลี้ยงโครลีร้นมนมโคบ่อให้ตามมีตามได้บางทีก็ออกมินทบาด ท, ทิ้งทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็ต้องเกิดเลยขึ้นมากมายหัวตายว่าง เรียกว่ามานเยอะแยะเลยก็อายอมคิดเก่งสังขารอาจจะปงแแงเก่งเหตุทงไปเกิดสังขารก็ลุมก็ม า, มาก็เปลี่ยนมีพติไปไม่ไปกับความคิดคิดถึง ล้าหุนก็กลับมาคิดถึงปราศากดิ์ก็กลับมาลู้จุกตัวคิดถึงประหลาดทรัพสินสดึงคานก็กลับมาลู้จึกตัวไงนี่แต่ ว, ว่าเบื้องต้นที่สุดเลย ว, ว่าถุงมกาลเลยทีเดียวตรงนี้เราจึหอุทิศทำเหมือนพพุทธเจ้าเนี่ย เวลาคิดถึงบ า, าสัดก็กลับมารู้จักตัวคู่แขนเข้าเหยียดแขนดดกรู้อยู่นี่ความคิดมันก็หายไปกลายเป็นความรู้จักตัวซะเรียกว่าขอพื้นที่ที่เคยคิดพื้นมาเป็นให้สติให้สัมพัญญะอยู่ ให้สิทธ่เ่ิงนี้กลับมาลู้จักตัวซะอะไรเกิดขึ้นกับกายก็กลับมารู้จักตัวจริงเดียวกว่ากายสกว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเล่าเขาแต่ก่อนเอากายเป็นตัวเป็นตนทำตามกาย มันต้องการอะไรก็หลับใช่มันเป็นตัวเป็นตนเต็มไปหมดเป็นฉุกเป็นทุกข์เพราะตัวตนที่เกิดกับกายหลายภพหลายชาติบัดนี้ตัดเอาไปเลยรู้สึกตัวสักดิ ว, ว่ากายชี้ลงไปเด็ดเดียวใจกล้าๆสักหน่อยจึงได้ว่าอุทิศ อย่าย่อย่อนคอยตามอาการที่มันเกิดขึ้นเช่นหวมหนาวก็หนาวไปเลยจะมีสจิตสักว่ากายสักว่าสักว่ากายอาการเกิดขึ้นของกายเป็นธรรมดาธรรมชาติสักแต่ว่าหวามนางไม่ใช่ตัวใช่ตน ความร้นก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนความปวดความมื่อยก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนความหิวก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนจักแต่ว่ามันมีกายและก็มีจิตที่มันคิดเป็นมีวิญญาณธาตุรู้วิญญาณธาตุันรูุได้ ก, ก็ต้องคิดธรรมดาก็สักว่ากิจซอเลือมีสุขมีทุกข์เกิดขึ้นก็สักตว่านั่นและสติสติเป็นอย่าง น, านั้นทําไมตนทตาไมตัวตนที่เกิดจากอาการาต่างๆน้อยลงมีสติหลงพื้นที่เต็มไปหมดเลย เกิสิ่งที่เกิดขึ้นกวกายกับใจแต่ก่อนมีอะไรมาลงพื่อที่หิวไปห่อไปฉุกเป็นฉุกทุกเป็นทุกไดยเป็นได้ผีเป็นผีถูกเป็นถูกสงบเป็นสงบผู้ซ่านเป็นผูงซ่า น, น, านอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมาหลวมมาริเลดมารบุ๋มแตร์หลายลักษณะ ขันธ์มานเจ็บปวดหนาวสัน่นหิวขันธมานมาจุมงานกลัวตายไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยดำ่าจะเป็นไข้แล้วเนี่ยในว่ากลัวตายเตีุ่วตุจานคิดถึงความสะดวกสบายแต่เป็นช่อผ้าชายเอามาอ้าง แล้วก็อาจารย์หลงไม่ได้จู้อ่อนเอไปเลยเรียกว่าการมหันุสุ ก, การในโยกอ่อนไปเลยไหวไปตามบาการรมที่เกิดขึ้นมาไปเลยจึงไม่ใช่วิสัยของพุทธะเราก็เห็นอย่างนี้แล้วมีตัวอย่างอย่างนี้ เดี๋ยววัอุทิตย์เราก็ทำตามที่พระเจ้าสอนไว้เนี่ยสัมผัสได้เนี่ยว่าพระเจ้าเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องยากมีอยู่แล้วเกิดขึ้นแล้วอุบัติขึ้นแล้วสอง0ันหรปีมีหลักวิฐานมีการสัมผัสทางกายทางใจเอาก็เกิดศรัทธา ในการตัวบัดขึ้นพทธเจ้าไม่มีตรงไหนตำาหน่ตีเตียนยากที่สุดเกิดพทธเจ้าขึ้นมาเป็นเรื่องยากเราก็มาพบเห็นแล้วเห็นคำสอนทั้งพระธรรมคำสอนเราก็นำมาปฏิบัติได้เราก็มีการวิจัยมีรูปมีนามเนี่ย เหมือนกันกับพระพุทธเจ้าร้อเหมันชนเหมือนกันเข็นสุขเหมือนกันเป็นสุขความชี้เป็นทุกข์ความคิดเหมือนกันจึ ง, งเรียกว่าเวทนาจากว่าเวทนานะคือสุขคือทุกข์ น, ขนขั่นแหละก็ไม่ใช่จัดบุคคลตัวนเราเขาไม่ใช่สุขคือเราชอบพอใจทุกเราไม่ชอบไม่พอใจ ไม่ไปอย่างนั้นกลับมารู้จึกตัวสักแต่ ว, ว่าสุขแต่สววัจธรทุกข์นี่มานะเกิดขึ้นมาเปลี่ยนในเปลี่ยนมาเป็นตู้ไปหมดเลยพุทธะเกิดขึ้นลักษณะอย่างนี้เรียกสักต่ ว, ว่าเนี่ยเป็นทางแห่งพุทธะก็เนืดของพุทธะ รู้จักตัวรู้จักตัวไม่เป็นไปกับมันตัดไปเลยยการที่ปฏวัติตามทำนี่ก็เป็นเรื่องยากบดนี้ไม่ได้ยากเส็จแล้วอยู่ตัวหน้าเรานี่ขอพื้นที่หลงตรงไหนไม่หลงตรงนั้นมันยากตรงไหนล่ะเนี่ย เงือก็ไม่ไหลไม่ต้องขอญาตจากใครไม่มีใครมาขวางกัน้นสิทธิของเราร้อยเปอร์เเวลามันหลงมีชิตธิไม่หลงเวลามันทุกมีสิทธิไม่ทุกเนี่ยการบรรลุธรรมการฟังธรรมเป็นเรื่องยากกับรรลุธรรมเรื่องยาก ยากสำหรับผู้ที่ไม่มีศรัทธาไม่มีอุตการอุทิศเบือ่อไม่อยากทำตามอันนี้เป็นเรื่องยากเดี๋ยวก็มีศรัทธาออกจากบ้านจากเดือนมาอยู่วัดป่ารามเป็นนักบวชบ้างเป็นนวาศกบาชจิกาบ้างสะละออกจากบ้านมาบ้างเหมือนเหมือนกัน มาแล้วมาอยู่ที่นี่แล้วมีธรรมะเป็นรูปเป็นรอดมีหลักถอนมีเพื่อนมีมิตรมีผู้พูดในฟังมีผู้เอาไปทำมากมายมาแล้วนับมาสองวันอยปีนับมา ร้อยสองร้อยสามรอยปีมานี่มีมาตลอดยังเห็นยังมีไออุ่นก็ว่าได้จะมาถึงยุคหลงปูเทียนเนี่ยยิ่งชัดเจนดุนดุก้นอนก้อนหยาบๆยาบไม่ละเอียดอะไรไม่ต้องไปแยกแยะขบคิดถบเคี้ยวอะไรเป็นดุนเป็นก้อน มีสติดูก่อยเคลื่อนไหวเห็นใจเหมือนคิดดูก่อยเห็นจิตดูคิดเห็นทำดูกคำเห็นพันิุพานดูอาการเหตุผละมัดหลพ่อเทียนพูดจย่างนี้แล้วก็เห็นด้วยไม่มีคำขัดแย้งดูก่อก็เห็นจิตเนี่ยเห็นจิตที่ใดเห็นหมายเห็นทุกคน เวลานั่งอยู่นี่คิดไปโน่นหอหิ้วไปก็ได้ถือกระเป๋ากลับบ้านก็ได้ถ้ามันคิดขึ้นมาเบื่อหน่ายก็ได้ไม่เอาไม่เอาอะไรมันผิดก็ไม่ชอบจะได้จะไม่ได้จะไม่อยากให้มันผิดอยากให้มันถูก อยากให้มันสงบแบบไม่อยากให้มันพุ่งซ่านอยากไปต่อรองแบบนี้ลุยไปเลยวันผิดก็เห็นรู้จึกตัวเสาะมันถูกก็รู้จึกตัวเสาอย่างเนี่ยวันจสงบก็รู้จึกตัวเสาะมันพุ่งซ่านก็รู้จึกตัวเสาะมันยากก็รู้จึกตัวเสามันง่ายก็รู้จึกตัวเสาะ เนี่ยใบอย่างเดียเอานี่เป็นถางเหยียบเป็นเลยดั้งเข็มที่ไปดีจะเอาตรงนี้เอาจริงๆตรงนี้หนึ่งวันเจ็ดวันอาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาหนึ่งเดือนเจ็ดเดือนจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมา หนึ่งปีเจ็ดปีอาจิมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาถ้าดำเนินอยู่ตรงนี้ถ้าออกแถ่นี้เราก็อาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นโยอย่ห ย, ย่อนย่อนทิ้งขวง่วงอาจจะด้านไปเลยเบื่อไปเลยเวลาทำลงไปปฏิบัติลงไปเอาวันืว่าต่อรองจะทำได้ไหมเนี่ย ว่าจะทำไม่ได้เลยยากไหมถ้ายาก่อยไม่เอาั้าง่ายก็จะเอาหรือรับทูไปบ่อยจากญี่ปุน่นทูมายากไหมจะ ก, กำหนดเดือนหนึ่งพอไหมจะรู้ไหมนานเท่าไหร่อย่างนี้ต่อรองเนี่ยจะแสดงว่ามีขวางกันไว้แล้ว ถ้าได้ก็จะมาทำทำไม่ได้ก็มาอยากมาเสียเวลาเสียเวลาเราคิดอย่างนี้เราก็ตั้งกิดไว้ผิดเมื่อตั้งไว้ผิดมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเราจึงมีอุทิศเนี่ยอุทิศคือศรัทธาเนี่ยเชื่อพุทธิยออุบัติขึ้น่งจริงมีจริงๆในโลก ว่าทำความสอนก็มีจริงๆเนี่ยผู้ปฏิบัติตามทำก็มีอยู่จริงคือพระสงฆ์เนี่ยปฏิบัติดีเนี่ยปฏิบัติตรงปฏิบัติออกจากทุกข์ปฏิบัติเป็นสามัญเนี่ยมีอยู่จริงจนเปลนพระอรหันต์มีอยู่จริงเนี่ยเราคนหนึ่งจะไม่ได้เลยเนี่ยคิดอย่างนี้ ท, ทุ่มเทลงไปศรัทธาลงไปไม่ทอถอยแบบมาลู้นทามันของยากอะไรที่มันยากเลยเราเราต้องลุยลองดูสิเรื่อมีศรัทธามีควา ม, รรมเพียรมีสติมันอาจจะไม่ยากเหมือนที่คิดเวลาเราปฏิบัติจะเปลี่ยนหลงเป็นรูปไปเรื่อยๆเปลี่ยนทุกข์เป็นรูป เปลี่ยนโกรเป็นสมุทัยสังขารเป็นรูปทั้งหมดมันจะเป็นคานเลียงไปเลียกไปเป็นทาไปง่ายระเบิดแล่แแลก็จะทวนกระเสือกสักหน่อยตามไปทำมาจา์ลาบลื่นจะให้หลงเป็นเรื่องยากจะให้ทุกเป็นเรื่องยากจะให้ เกิดอะไรขึ้นมานอกจากจะดิเป็นเรื่องยากก็สัมผัสแล้วหวอหลงไม่จริงความไม่หลงเหมือนจริงความทุกข์มันไม่จริงความไม่ทุกข์มันมีจริงเนี่ยมันก็ตอบได้ทุกคนสัมผัสได้ทุกคนมันก็จอมล่วงพ้นภาวะเดิม ลวงพ้นพราวะเก่าหรือว่าวิปัสสนาเกิดขึ้นมาจากผู้ปฏิบัติกานของเก่าโดอเก่าเคยเป็นอย่างนั้นขนหัวลูกเคยทุกข์เคยเคยสุขเคยทุกข์กความคิดเอาความชีวิตไปห้อยแขนไว้กับความคิดให้ความคิดมาเป็นใหญ่ขนหัวลูก งทั้งที่ความคิดมันเป็นสังขารชนิดหนึ่งกิตตสังขารเราก็อยู่ในโลกรูปนามเนี่ยมันอยู่ในโลกเราไมา่ใช่อยู่คนเดียวในโลกแน่ไม่เหนินทาไม่ฉนรเฉิญไม่ได้ไม่เสียไม่ร้อนไม่หนาวกลางคืนกลางวันมันเป็นโลกสังขารโลก โอกาสโลกมีท้องว่ามีดวงอาทิตย์มีก้อนเมฆมีแผ่นดินมีน้ำไม่ใช่เราอยู่คนเดียวในโลกนี้มีหลายอย่ า, ยางและก็มีสัตว์โลกที่อยู่ที่นี่ก็เกี่ยวข้องกับเราทั้งนั้นอากาศก็เกี่ยวข้องกับเรา ลกก็เจียวข้องกับเราโลกนี้ก็ตก่ในความไม่เที่ยงในความเป็นทุกข์ในความไม่ใช่ตัวตนของมันเหมือนกันเรามาเราก็เห็นอยู่เนี่ยยึดของเรามาปุนถึงปุนนี่ย่อมผ่านอะไรมาเยอะแยะอันจริงตงัวไหน ไหนความกู่อยู่ไหนไหนความทุกข์อยู่ไหนออกมาอ้างดูจีในความรักอยู่ที่ไหนไหนความเกลียดชังอยู่ที่ใดการได้อยู่ที่ไหนการเสียอยู่ที่ไหนเรานั่งอยู่เนี่ยเวลาเรามีสติมันอยู่ที่ไหนเราก็ไม่มีอะไรไม่ใช่จิตใเท่านั้น เราไปพั่วเอาของที่ไม่มีว่าเป็นตัวเป็นตนสุข ก, ก็คือเราทุกข์ก็คือเราามกวดก็คือเรามันอยู่ที่ไหนมันเป็นสมมติปัญญาต์ขึ้นมามันเป็นอุปทานขึ้นมามันเป็นพบเป็นชาติขึ้นมาก็ถูก หลอกลวงเสียเปียบสิ่งที่ไม่ดีเมื่อใช่กายใช่ใจเรามากพอแล้วถ้าเรามาดูดีๆนะถ้าเรามีสติมัจะมองเห็นจะเห็นเห็นแจ้งได้ความไม่หลงจากความหลงได้ความไม่ทุกข์จากความทุกข์ นี่ประเดีมันมีหลักฐานอย่างนี้ที่ใดมีทุกที่นั้นไม่มีทุกมันไม่ใช่เราคิดคำนวณคิดคะนเอาเหมือนจบจอกของจริงคือกายคือใจคือรูปว่านามนี่เป็นสูตรอีกยะ แปดหมื่นีพันเรื่องเกิดขึ้นดีกายที่ใจนี่จิเดศก็พันห้าตันหากรอยแปดทำไมเราจะไม่เห็นมีกันทุกคนย่อไปย่อย้อนมันเข้มแข็งขึ้นมาตรงไหนอ่อนแดมีความเข้มแข็งตรงนั้นมันช่างได้ ลูกนี่นามนี่เดี๋ยวปฏิบัติได้ให้ผลได้ตามทุกวรเจรผู้ปฏิบัตินะอเอาเลยมาต่อรองมันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยหลงอยู่ที่บ้านก็รูู้่ที่บ้านนั่นแหละหลงอยู่วนที่ทํางานก็รู้อยู่บนที่ทํางานนั่นนะแม่มันจะตายก็ไม่ มันจะหลงในการตายเขาไม่หลงอู่ตรงนั้นหรือมันเจ็บหลงในความเจ็บก็ไม่หลงในตรงนั้นนหละถ้าหัดนะมันก็ไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยก็ยิ่งใหญ่เงินล้านเงินหมืนม่นเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้ไม่มีค่า กะว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรในโลกเนี่ยสังขารโลกรูปโลกเนี่ยไม่เป็นอะไรอีกอย่างน้อยเราก็ต้องตัดถิงใจแน่วแน่หลงไปไม่เอาเรื่องกายเรื่องใจมาเป็นฉุกเป็นทุกข์ไม่เอาเรื่องกาย เ, เ, เ, เ, เ, เรื่องใจมาทาให้คนอื่นเป็นฉุกเปนทุกข์จะใช่ชแต่ตีให้เป็นประโยชน์ เลือกใช้มันให้เป็นประโยชน์เหมือนพ่วงแพรเพื่อขี่ข้ามฟากขอบคุณที่มันมีรูปมีนามเนี่ยขอบคุณที่มันรอนมันหนาวมันหิวมันเจ็บมันปวดเนี่ยมันแจ่มันเจ็บมันตายเนี่ยเป็นโจทย์เป็นโจทย์ที่เราจะต้องเฉลยให้ได้ไม่ใช่เรายอมรับหรือจำนน อยหัวเลาะหอยร้ อ, องไห้อยู่นเช่นนี้มันก็มีค่าหลายชีวิตเรานะเหมือนเราสมัยแล้วไปหลงอยู่ไปโกรธอยู่ไปทุกข์อยู่เนะขาไปกันเกือบครึ่งประเทศแล้วขึ้นโลกเราเราไปหัวหนวกเราเคยได้ยินประวัติของคนดี ของพระสงฆ์ของผู้ปฏิบัติเป็นญาติเป็นโยมก็มีเยอะแยะเมื่อพูดให้เราฟังก็มีเยอะหนังสือหนังถา่าตำลักตำล่าเยอะแย่ไมาใช่เราจะซุ่มหาอะไรสะดวกทุกวันนี่ซีดีวีซีดีกะด่ารามก็สะดวกกาเกา สามที่ปีก่อนนั่นถ้าจปฏิบัติตำต้องไปแสวงหาเองไปขออยู่บางทีก็ไม่ได้อยู่เดี๋ยวนี้เปิดทั่วไปสายงานหลวงปู่เทียนเน่เริ่มมาตั้งแต่เดือนธันวาจนถึงเดือนพฤษภามิถุนนามาจบลงที่นี่ วันที่ยี่สิบพุทธภาถึงวันที่สามสิบมิถุนาสี่สิบวันจบที่นี่ก็เลิกเข้าพรรษาปฏิบัติธรรมหมกพัรษาแล้วก็มาทำงานาดีมีสำนักใดที่ใดที่เป็นลูกศิษย์งพอเทียนเตรียมต้นรับ มีน้ำมีข้าวมีห้องน้ำมีที่อยู่มีครู อ, อาจารย์เตรียมพร้อมเมื่อจะเป็นมีตรเป็นเพื่อนเดีย๋ยวนี้ก็มีสายงานอยู่ที่นี่บ้านขุดโกงเนี่ยเอาปฏิบททัติธรรมทำอยู่หลวงพ่อกลงกูไปตามสายงานแม่ชีที่วันนี้ก็ไปตามสายงานก็สนุกไปแบบหนึ่ง มันมีเพื่อนนะถ้าอยู่คนเดียวอาจจะไม่ไม่ไมอุ่นใจเป็นเพื่อนมากๆเขาก็พาทําพาจัดปฏิบัติดูในฝั่งคนนั้นพูดในฝั่งมีวิท ย, กยากรเยอะแยะเยาะเจอมสนับสนุนมาก็สงางามเนี่ยคนผู้ปฏิบัติธรรมย่อมสง่างาม ไปอยู่ที่ไหนชาวบ้านถิ่นฐานแถวหน้ากอดดินนีตอนนน้อนรับเวลาปินธรรบากกแม่ขี่ญาติโยมนุ่งขาวถือขาวเเดินตามหลังพระชาวบ้านก็ดั้งประนมมือ่า้อาหารใส่ลถมาเหลือเปื่อไม่ลำบาก เราจะเปรียบเทียมสมัยข้างพระเจ้านะ ล, ลำบากกว่านี่อดยากต้องเป็นตะ บ, บาดคอกมาอาหารมาทั้งข้าเปลือกทั้งข้าวสารผลกันแล้วก็ว่าต้มจินลำบากกว่าเรานี่เรานี่ไม่ลำบากหรือว่าสะดวกพอสมควรในการปฏิบัติธรรม อยาให้เป็นเรื่องยากประเทศไทยพวัฒนธรนาแบบไทยๆวัดวาล้อมแบบไทยๆพระสงฆ์แบบไทยๆประเปนีแบบไทยๆเพื่อความสะดวกในการนี้ก็ยินดีอย่าให้วัดนี้ว่างเปล่า ว, ว่าใช่บ้าง คนก็มีศรัทธาสร้างไว้เขาก็มอบกุญแจไว้พวกเราก็ไม่มีเงินไม่ทองแต่คนอื่นมาสร้างให้เขาเห็นประโยชน์เขก็มอบกุเแจวัตดีหลังนี้ถ้าคนมาใช่บุญออกดอกถ้าไม่มีคนมาใช่บุญก็ไม่ออกดอก ขาได้บุญเมื่อมีคนมาชชยวัดว่าลาบนี่เขาได้บุญการถวายวัดเขาก็กวาจากทุกสัจธรที่มาอาศัยเนี่ยถวายไว้ให้ามาทุกสัจธรรผู้ยังไม่มาขอให้มามาแล้วให้อยู่เป็นสุขปฏิบัติธรรมให้อยู่เป็นสุขเขาคิดอย่างนี้ผู้ถวายไม่ใช่ของใคร ของพวกเรามีจิตติมาใช่ในการปฏิบัติไม่ใช่บัตรไม่ใช่ไม่ใช่บวนไม่ใ ช, ใ ช, ใช่ที่อาศัยเฉยๆวัดเป็นที่อยู่ของปูชาในบุคคลคนเขาว่าต้องละชั่วทำดีผู้มีจินอยู่วัดไม่ได้ แต่ไม่มีชิ้นมีโจรผู้ไร่ก็ อ, อยู่วัดไม่ค่อยได้วันไม่ใช่บ่นบ่าในครับเล่นกนารบรรนานสนุกสนานไม่ใช่วันเะรเพื่อเป็นการปฏิบัติแล้วก็ใช่สร้างให้เป็นอย่างนี้แต่มาทีนี้เราก็ต้องมาปฏิบัติมีจิตที่อยู่ได้มีข้าวกิน บางคนก็เอาผ้าห่มเอาเครื่องกันหนาวมาให้อย่ารักษาโลกก็มีอาทีก็เอารถโยนมาให้ใช่ในเวลาจำเป็นกิจพระศาสนาไปหาหมอก็ไม่ก็ไม่ลำบากหมอก็ต้อนรับเป็นมาจากวัด หัวเขาก็ต้อนนับดีไม่เปิกันทิ้งเราก็เพิ่งไปอาศัยกันฝากฝีฝากไข่ต่อกันนะพระฉะนั้นจริงอย่าที่ว่ามันยากคุณเจ้าก็เกิดขึ้นมาแล้วว่าธรรมก็มีแล้วปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติได้แท้ ว่าทำมันพระผู้มีภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วผู้ศึกษาปฏปิบัติพึงทำด้วยตนเองเอากายเอาใจมาเติมมีกายแล้วเราก็มีกายไม่ใจแล้ววฏนที่วั่นได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการมีจิตดีมากก็รูมากมีจิตน้อยก็รูน้อย ผู้ปฏิบัติยอมรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรูคนเห็นตามสุขววรเจยผู้ปฏิบัติไม่ใช่นับ า, าเวลาหลงหนึ่งครัง้งรู้หนึ่งครัง้งหลงรล้อยครัง้ลงรู้ร่อยครัง้งนี่สมควรเจยการปฏิบัติรู้ได้ไวไปได้ไว เหมือนม่ามีผีเท่าดีส่วนผู้ไอหลงเป็นหลงทุกเป็นทุกโกรดเป็นโกรดม่ามีผีเท่าหมาดืดีเดินชา้าวิ่งชา้าอยู่ด้วยการปฏิบัติของแต่ละคนต้องอุทิศต้งให้ได้สำหรับพวกเราเนี่ยเราก็คนคนหนึ่งละ ลูกพ่อนี้แม่นี้เราค น, นหนึ่งน่ะเสนอตัวขึ้นมาแลบบ้วเป็ชอบเรื่องการพรราฒนาอุทิศหนึ่งนี้พวกเราก็เป็นนักวบวชบางทีบางท่านก็อุทิศใจใจอยู่เสมอเราชิดอุทิศจริงๆสมัใช่ไหม เริ่มต้นจากการศึกษาปฏิบัติเห็นพระสงฆ์ไม่มีฉินเหมือนกับเราเเราเป็นฆราวาสจะมีศินกว่าเห็นพระสงฆ์มาค่อยมีศินไม่ค่อยมีระเบียบเราิดจากแกมารับผิดชอบเรื่องนี้เราคิดจากแกบวชก็ไม่คิดจากแกศิษจะรับผิดชอบเรื่องนี้ จนป่านนี้ก็มาเคยคิดเรื่องศึกขออุทิศชีวิตนี้เพื่อการนี้อยู่อย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้เทศอย่างนี้บอกคนอย่างนี้พูดอย่างนี้ความหลงไม่จริงควา ม, มหลงมันจริงจะพูดอยู่อย่างนี้ความทุกข์ไม่จริงควา ม, ม่ทุกข์มันจริงจะพูดอยู่อย่างนี้ อันจึงไม่เป็นอะไรกับอะไรเราจึงให้ผลได้ปฏิบัติเนี่ยทำดีก็ต้องดีทำชั่วก็ต้องชั่วแต่ทำดีแทนกันไม่ได้ทำชั่วแทนกันไม่ได้ทำบาปเองย่อมส่ ง, งเองไม่ทำบาปเองก็ย่อมหมดจุดเอง ผมช่งของหมดจดเป็นของเฉพาะตัวของใายของมันเอาเลยเราเห็นอยู่เนี่ยมันหลงลู่ขึ้นมาอันอะไรเกยขึ้นกับลู่จากแต่ว่าจากแต่ว่าไปหลุดไปหลุดไปหลุดไปวันก็ง่ายขึ้นมามันรูท้ทาของง่ายขึ้นมา อย่ามาเป็นเรื่องยากมาตอดลองอย่าไปกลัวกลัวคู่เรียนแต่ครูก็กลัวแล้วหรือว่าทาหารลบตายนอกสนามต้องตายในสนามสิ่งจะชนะพระเจ้าจะเปรียบเทียบนักลบตายนอกสนามนักลบตายในสนาม ตายนอกสนามเพียงแต่ยินข่าวก็กลัวแล้วหรือนกลรลก็เห็นไปยินเสียงนหนูได้ยินเสียงปืนเห็นหุน่ฟุ่งขึ้นสนามรโลภกลัวแล้วไม่ชู้แล้วตายในสนามพอถูกลูกศรถูกอะไรต่างๆนี่ตอยก็กลัวแล้วหนีแล้วไม่เอาแล้ว ตายในสนามไม่หนีเก็บเป็นอะไรก็ไม่ไม่หนีสู้ อ, อยู่เนี่ยมีรูปสอนเหมืนกันนะความรักความชังใจตั้งหนาขึ้นมาทีมบ่มาไปเจ็บปวยก็ไม่ล่วยสู้ อ, อีกสู้ อ, อ, อ, อีกต่อไปในตัวาทาหารตายในสนามเมื่อก่อนมีความแคลนคิดอย่างนี้นะ ตา อ, อะไรเกิดขึ้นแพ้แลราก็แพ้ไปเลยเดี๋ยวว่าการมาขัดนึกการนโยก ค, คอยตามปึงเครียดกันไปตั้งเป้าว้ผิดตั้งจิตไปผิดถอาจะจับผิดจับโตคนดั่นคนนี้ตัวเองก็ได้ไม่ได้เอาความได้เอาความไม่ได้มาตัดอลอ๋อ พูดนะฟงยงวนี่นหวนนลวงตาก็จะเขาคงเทพไม่รู้จะไปได้ไหมเขาร้อกันนังบ้านดังเมืองสมควรเเวละกับพระฟองกัน